ถึงจะอยู่ไกลก็ได้ยินลูกหลานมันได้ปากดังไป <c oughs> อย่าไปส่งเสียงดังวะพระพุทธเจ้าเป็นเฝ้าในครั้งพุทธกาลพอพระพุทธองค์เสด็จ เ, เสด็จ ก, กลับมาถึงวัดแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายก็มาพร้อมกัน บาในคนผูพ่ายบาทดูแลพระสงฆ์พระสงฆ์งก็ทรงเขาที่เรียบร้อยแล้วพระพุทธเจ้าก็เขาที่เงียบแล้วส่วนผู้ที่ติดตามพระสงฆ์ล่องไปอาบน้ำในท่าน้ำไป ตั้งมวยปัำมกันมาลึงถึงถือตัวนมยมวยสนุกสนานเสียงดังพระพุทธเจ้าคนบอกว่าเสียงอะไรนะันคือเสียงอะไรพระสงฆ์ก็เลยบอกว่าเสียงพวกค้นติดตามที่มาทรงพระที่มารับใัยพระเสียงสนั่นวันไหวอยู่ในทาน้ำแต่ส่วนพระเนี่ยเงียบปนออกไปขึ้นมาหอดเข้ากุธิละ หาทีนางภาวนาเงียบแต่พวกที่มาทรงนนเนะเหล่นม่วยปั่มกันมาลึงถึงถือไปสนุกสนานเฮโลกันพ่อปันค้นมหาป่าในทาน้ำไปพระพุทธเจ้าพณนบอกว่าไปบอกนะอยู่ในความสงบ อ, อ, อย่าไปสงเสียงนี่แหละอันนี้นก็คือพระพุทธเจ้าในสรุปแล้วก็คือ ต้องการความสงบนเป็นพื้นฐานจริงๆมไปบึงในพระไตรปิฎกของเพินแล้วไปอยู่ในสถ า, านที่ใดห้ามส่งเสียงมไปในพระภิกษุสงฆ์คือกันยาส่งเสียงจะใส่เสียงดังการใส่เสียงดังโมเมนเรื่องของพระผู้ต้องการความสงบอย่างหน่อยก็ไปกระทบกระเทือนผู้อื่นถึงคุ้ยกันสองคนกระจริงอยู่แต่มันไปกระทบผู้ผอื่น เสียผู้อื่นเสียสมาธิเสียงนกเสียงหนามเสียงแยงก็ตามมันพอเป็นอันตรายต่อสมาธิยิ่งกว่าเสียงมนุษย์เสียงสร่างเสียงเสื้อเสียงแยงกระตัมอันนั้นคือเสียงธรรมชาติมันก็พอเป็นอันตรายกันเสียงเสือนเออขันที่พักของเข้าบ่ม มอเนนหนามันคงกับขดยานมันคือกันนะกานที่พักของเข้าแ น, น่น้ํามันคงปลอดภัยเขาก็บริายานมันคือกันแต่ ว, ว่าที่อย่างใดก็เป็นเสียงอบอเป็นอันตรายคือเสียงมนุษย์ัานเสียงมนุษย์นี่คือเสียงพ่อเขาเบาขึ้นมาเอ๊ะเขาเบาอย่างไรเหตุหูหน่อยฟังห่อยไปเพราะเห็ดหูหน่อยฟังน่อยจเสียสมาธิระบาด เสียสมาธิในการได้ยินได้ฟังแล้วพยัญจยกไปอีกบ้างนี่ยแยกไปอีกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเสียงผู้ชายเป็นอันต ร, รายต่อผู้หญิงเสียงผู้หญิงเป็นอันต ร, รายสมาธิของผู้ชายพอผู้ใจเจ้าพยังแยกอีกคนออกไปเพรมันเสียงมนุษย์เฉยๆเลยพะเสียงมนุษย์แล้วยังมาแล้วยังแยกอีก บาดนี้พวกเข่าคืดๆปังรูปบาดนี้มันแมนบอกนะอันนี้พระบอกนพระไตรปิฎกนะพระท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะวันก่อนหลวงพ่อได้ไปฉันอยู่ที่จังหวัดน้องบัวลำพูก็จัดโซลุมขายรถเขานิมนต์พระในวัดของเรา แล้วก็เอามาทำกงเพนหนึ่งแล้วก็ท่านรัตนะหนึ่งรวมแล้วเป็น9โรูไปฉันอยู่ที่จังหวัดนองบัวลำพูมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีรู้สึกว่าเจ้านายในนงบัวลำพูมามากหลายท่านเมื่อวันที่19าจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ไป เสร็จแล้วก็ไปขึ้นไปกราบหลวงปู่เพงทำกองเพนว่าท่านอยากจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมท่านก็เป็นเอามาพึกเอามาพาดท่านก็อยากจะให้หลวงพ่อไปรับรู้รับทราบหลวงพ่อในเมื่อท่านมีจุดประสงค์และมีความปร ะ, ประสงค์เราก็ควรจะขึ้นไปกราบท่านที่แรกท่านจะลงมานะ ท่านจะลงมาพบที่บ้านงานแต่หลวงพ่อก็บอกไม่ต้องให้ท่านลงมาเดี๋ยวหลวงพ่อจะขึ้นไปเองทางผ่านอยู่แล้วจากนั้นหลวงพ่อก็เลยนิมนต์ท่านไม่ให้ลงมาหลวงพ่อก็เลยขึ้นไปกราบฆราวะท่านทําความเข้าใจแต่หลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อเพียงแต่เราผู้รับทราบพอภาระของหลวงพ่อเนี่ยยังหนักหนาอยู่เพราะว่าได้รับภาระ เกี่ยวกับเจดีย์องคหลวงตาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยิงเพราะนั้นหลวงพ่อจะรับเรื่องอื่ น, อ, นอื่นอื่นอีกก็คงจะไม่คงจะไม่ถูกต้อง ต, อ ต, ตัวนี้ก็ยังแบกหนักอยู่หลวงพ่อเพียงแต่ว่ารับเป็นผู้ประสานเป็นผู้ประสานหาอะไรที่มีความจำเป็นมาหรือว่าอยากจะให้ช่วยเหลือ แต่ถ้าว่าเรื่องการเงินนั้นก็จะอาศัยหลวงพ่อเต็มที่คงไม่ได้พอหลวงพ่อก็ได้รับปากออกปากไว้แล้วว่าจะหาทุนเพื่อสร้างเกียรพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเมื่อสองสปีข้างหน้าเนี่ยอันนี้คือส่วนหนึ่งจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ลงไปไปพักกับวัดของท่านรัตนวัดรวมธรรมพอตอนเย็นก็ไป วัดหลวงตาแตงอ่อนอําเภอวานอ น, นิวาสจังหวัดสกลนครครอบรอบ50วันของหลวงปู่แตงอ่อนที่ท่านมรณะภาพนะพอไปถึงแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเยอ ะ, อะคนมากแต่มองๆดูแล้วก็เป็นคนในท้องถิน่นเป็นคนในท้องถิ่นในละแวกของพวกเราอพอประมาณทักทุ่มหนึ่ง สวดอะไรเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ขึ้นเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมแล้วก็มื่วานพอแสดงธรรมแต่การเทศการแสดงธรรมเมื่อคืนวันที่19บเดูๆแล้วไม่ไม่ราบรื่นไม่รื่นเพราะเหตุไรเพราะคนมันเยอะพอเยอะเสร็จแล้วก็ คนที่สงเสียงก็มีคุยกันก็มีเพราะมันคนเยอะนะฮะหลวงพ่อก็เลยเทศแบบเพื่อฉลองศรัทธาเพื่อให้งานจบแล้วก็ชาวถวายเจตุปัจจัยกันเทศมาหลวงพ่อกออ็มอบให้ทางวัดไปเพื่อสร้างเจดีย์เพราะท่านสร้างเจดียด์ยังไม่เสร็จ เจดี์ดูดูแล้วข้างนอกเหมือนจะเสร็จนะแต่ข้างในยังไม่ได้ตกแต่งแ่งพ่อเขาไปดูข้างในขึ้นไปดูถึงชั้นบนเลยชั้นที่3ามขึ้นไปดูแล้วโอ้ยังอีกมากเจดี JD คงจะได้ใช้เงินมากอยู่แต่ตัวท่านเองท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าเจดียังไม่เสร็จนะอย่าไปเผาอย่าอย่าไปเผาเรานะให้เจดีเสร็จซะก่อนอค่อย ประชุมเพลิงเลือกเผาเผาเราคล้ายๆคำว่าท่านเป็นห่วงเรื่องเจดีถ้าประชุมเพลิงท่านซะเจดีอาจจะไม่เสร็จเพราะไม่มีใครมาแต่ว่าศพของท่านยังอยู่สิทธิานุสิทธิกับพวกคุณเวียนไปไปดูไปเห็นหท่านก็ได้สั่งเสียไว้เพราะนั้นศพของหลวงตาแตงอ่อนอยังไม่มีกําหนดจนกว่าเจดีจะแล้วเสร็จ หลงพอทราบมาอย่างงั้นจากนั้นตอนเช้าบินฑบาทก็รู้สึกโอ้พี่น้องประชาชนลูกหลานล้นหลามกระโดยมากเป็นชาวบ้านอย่างที่ว่านั่นเป็นคนในท้องถิ่นเป็นส่วนมากผาสงก็ามากพอจากนั้นก็พอฉันเสร็จแล้วก็ทำพิธีถวายผ้าป่าแล้วก็เพื่อจะหาทุนสร้าง เจดีของหลวงตาแตงอ่อนหลวงตาเนี่ยที่ท่านยังค้างอยู่แต่พวกเราวัดของเราตั้งแต่ข่าวก่อนหลวงพ่อก็ไปงานสงน้ำศพท่านพอสงเสร็จแล้วหลวงพ่อเขคิดว่าเจดีเก็คงจะแล้วเสร็จมองดูข้างนอกเพราะหลวงพ่อไม่เคยไปไปเป็นครั้งแรกไม่เคยไปวัดท่านเลยแต่ก่อนหน้านี้นะพะหลวงพ่อเองเคยอยู่กับหลวงตาแล้วก็ ไม่ได้ไปหาองค์อื่นออกจากหลวงตากับไปกับไปกราบคารวะอยู่ในละแวกที่ว่าใกล้ๆท่าองค์ไหนอยู่ในระยะระยะไกลหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปเพราะว่ากราบคารวะองค์หลวงตาแล้วก็พอแล้วละ่ะคิดลักษณะอย่างนั้นนะหลวงพ่อก็เลยไม่ได้ไปกราบไปไหว้ครูบาอาจารย์แต่พอย น, นั้นหลว ง, งตาแตงออนเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น งวดรถสุดท้ายอ่ะรถสุดท้ายรุ่นหลวงปู่ล่าหลวงตาเนี่ยที่อยู่น้องผือนาในท่านคงอยู่กับองค์หลวงปู่มั่นกี่ปีเราก็ไม่ได้ทราบเดี๋ยวเราก็ไม่ได้ไมัน ไ, ไ, ได้มีประวัติของท่านแล้วก็เนี่ยแหละเราก็ได้รวบรวมจุดประจัยข่าวก่อนที่ไปเห็นเราก็คิดว่าเจดีแล้วเสร็จพอไปเห็นโอ้เจดีย์ยังมากอ เราก็เลยถวายปัจจัยไปคราวนั้นน่ะตามไม่จริงได้นําปัจจัยไปเพื่อนําไปใช้ที่อื่นด้วย<ม>แต่พน้นในสุดพอไปเหตุเจดีเราก็เลยเราก็เลยมอบให้ทั้งหมดอมอบให้ทั้งหมด4ี่หมื่นสี่หมื่บาทแต่คราวนี้เราก็อื่นเจดีของหลวงตาแตงอ่อนยังมา ก, รกเราก็เลยแนะนําจะตุกปัจจัยทางวัดไป เ, เพื่อจะไปร่วมสมทบเป็นผ้าป่าคราวนี้แหละ เมื่อวานนี่นะที่อดเสร็จแล้วเราก็จะถวายทางวัดของเราก็ได้ถวายนำไปถวายสองแ0นเมื่อวานเนี่พราะนั้นขอให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมพระเนนทุกองค์นะอนุโมทนาสาธุในจิตใจเพราะว่าจะตุปปัจจัยไม่ใช่ของหลวงพ่อนะเป็นของพวกเราทุกๆคนเป็นของเกิดมาภายในวัดของเราตรงไหนจะเป็นประโยชน์หลวงพ่อก็จะได้มอบให้ สร้าง เ, าเมื่อสร้างเจดีเสร็จแล้วก็เป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทางหลายเพราะชั้นบนก็จะมีจะเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุธาตุของพระอรหรันต์ชั้นล่างก็คงจะเป็นที่บรรจุรูปเหมือนครูบาอาจารย์หลายๆองค์อยู่บนเจดีนี้เพราะนั้นพวกเราก็หลวงพ่อเห็นว่า เจดีนีคงไม่เสร็จง่ายถ้าหากว่าไม่ช่วยกันเพราะองค์หลวงตาแตงอ่อนท่านก็จากไปแล้วพวกเราจะต้องเป็นลูกเป็นหลานก็ต้องช่วยกันคิดช่วยกันคิดช่วยกันจัดการนั่นหะเพราะถ้าหลวงพ่อจึงได้ไปร่วมงานเมื่อวานนี้อพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็กลับมาถึงวัดก็ประมาณชั่บ่ายสองบ่ายสาถึงคาพอสมควรอยู่ นี่แหละภารกิจภารกิจของหลวงพ่อได้บอกกล่าวให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานได้รับทราบเป็นพระก็ยุ่งยากอย่างพระนั่นมีภาระทุระเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะอยู่นัสถานที่ใดอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศล เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเพื่อเป็นอุปนิสัยต่อไปภายภาคหน้านะการพวกเราเกิดมาพบนี้ชาตินี้เราได้บำเพ็ญคุณงามความดีสังสมบุญกุศลแต่ถ้าว่าไม่พ้นทุกไม่หมดกิเลสในภพนี้ชาตินี้เราเกิดออกจากชาตินี้ไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าหรือว่าไปอยู่ที่ไหนพอได้ ภาษีอริยะเมตไตรลงมาตรัสพวกเราก็จะได้ไปเกิดในาศาสนาของท่านบุญวาสนาบา ร, รมีเราพอที่จะแก่กล้าขึ้นมาเราก็อาจจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอันนี้ก็เป็นการสั่งสมบุญกุศลทีละน้อยละน้อ ย, อยเก็บพร้อมลอมริธ์เหมือนกับน้ําเหมือนกับตุ่มน้ำํำตั้งอยู่ในที่แจ้งฝนตกมาจากท้องฟ้าทีละหยดทีละหยาด มันกระตกหยุดลงไปในตุ่มอีกสักวันหนึ่งตุ่มก็เต็มไปด้วยน้ำได้เหมือนกันนี้ก็เหมือนกันการสั่งสมบุญกุศลเข้า เ, เข้าสู่จิตใจทีละน้อยละน้อยผลในสุดบ ร, รมีก็เต็มเปี่ยมได้อันนี้ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าวันเราไม่สั่งสมบุญกุศลไม่เชื่อสั่เแล้วก็เอาโอ่งไปแล้วก็ไปความปากลงดิน เอาก้นขึ้นฟ้าฝนตกมาในจักรวาลกี่ร้อยกี่พันปีน้ําก็ไม่ขังพ เ, เพราะเหตุไรเพราะตุ่มตุ่มนั้นโอ่งนั้นมันคว่ำปากลงดินเอาก้นขึ้นฟ้าฝนตกมาเท่าไหร่มันก็ไม่เข่าเพราะเหตุไรเพราะว่ามันไม่หงายมันไม่หงายรับมันไม่หงายรับน้ําฝนนี้ก็เหมือนกัน ใจของพวกเราถ้าเราไม่เชื่อจะอยางไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษไม่เลือกไม่เชื่อวันนรกสวรรค์มีไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดเหมือนกับเราคว่ำโองน้ำอย่างนั้นแหะหันกลืนขึ้นฟ้าแล้วบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของเราได้อย่างไรเกิดมาพบาะใชาติใดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปตลอดมีแต่ความทุทกข์ยากลำบากไปตลอดนี่แหละอันนี้คือการสั่งสมบุญ เหมือนกับในครั้งพระพุทธเจ้าของเราอย่างพระมหากบินพระมหากระินท่านครองเมืองอยู่ในประเทศอินเดียนะ่อยู่ในเมืองหนึ่งเพราะประเทศอินเดียอินเดียมีอยู่สิบหกแคว้นในครั้งในครั้งนู้นทั้งพุทธการมหากบินก็อยู่ในแคว้นหนึ่งที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่เป็นไม่เมืองไม่ใหญ่แต่ที่นั้นท่านก็ มีบริวารมีทหารารักษาประจำทหาราคล้ายๆราตเวนการราตเวนเนี่ยไม่ใช่แต่ทหารราตเวนนะพระเจ้าแผ่นดินก็ขี่ม้าเหมือนกันราตเวนเหมือนกันไม่ใช่แต่ไปเชื่อแต่ ท, ะทะหารไม่ได้ถ้าเป็นทหารทหารไป น, นอนหลบหรืหลีหนีอยู่ไม่ราตเวนประเทศชาติเกิดขึ้นมาแล้วจะแก้ไขที่ ท, ที่หลังยากเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดิน ถึงอย่างไรก็ตามสั่งไปแล้วก็ต้องไปดูเป็นทหารราบตะเวนประเทศเขตแดนของตนเองอยู่ในความสงบค่อยๆรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันเพราะศึกสงครามในสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดาแย่งประเทศกันพระเจ้าแผ่นดินมหากรบินนี่ก่อนเนี่ยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีทหารเป็นพันวิ่งตามหลัง ทีนไปเห็นพวกพ่อค้าพ่อค้าเกวียนเขาก็มาพักเกวียนเขา้าขายสินค้าเขามาจากเขามาจากนั่นกรุงสาวัตถีกรุงราชคฤกรุงสาวัตถีกสัมพีจากนั้นก็มาถึงเมืองของเขาไปจอดจอดแล้วก็าก็ขายสินค้าขายสินของทีงนี้พระเจ้าแพ่นดินมหากบินเนี่ยก็เข้าไปถาม ถามมาท่านพวกเกวียนพวกพวก่อค้าเกวียนเป็นยังไงที่ผ่านผ่านมาหลายหัวเมืองมาจากเมืองไหนบ้างเนี่ยมาจากเมืองนั้นเมืองนี้เขาก็ไม่รู้อันนี้คือพระเจ้าแผ่นดินนะเขาก็ไม่รู้ว่านี้คือพระเจ้าแผ่นดินเขาบอกเป็นชุดทหารเขาไปถามแต่ว่ารู้เราเป็นผู้รักษาประเทศชาติบอกว่าท่านผ่านมาเนี่ยหัวเมืองต่างๆนะมีอะไรบ้าง ที่ท่านประทับใจในหัวเมืองที่ท่านผ่านมาเนี่ยการทามาค้าขายหรือว่าเศรษฐกิจหรือว่าอะไรที่พวกท่านทั้งหลายได้เห็นแล้วเป็นที่ประทับใจพอใจมีไหมเพราะสมัยนั้นไม่มีวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์อย่างทุกวันนี้ฮะท่้นก็ต้องถามข่าวขาวจากพวกค้า ว, วานิชที่ผ่านหัวเมือง ทำมาค้าขายตามหัวเมืองต่างๆตอนนี้พ่อค้าเหล่านั้นเขาก็บอกว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยกรุงสวัสดีพวกข้าพเจ้าได้ไปทำบุญอกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะในโลกเดี๋ยวเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพอพระมหากระบินได้ยิน ว, ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกท่านนะั้นแหะ หูดับปิ้งเลยว่างั้นเถอะเป็นหลมมือางั้นเถอะคล้ายๆว่าความพอใจในใจนี่ในจิตในใจนึ่โอ้โหคล้ายๆแบบเออคล้าๆว่านี่แหละพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ธรรมดาใครเล้าว่าท่านติดภพติดชาติมาจนพอแรงแล้วในเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ ก, ก่อนพอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกอัเดียวนี้อยู่กรุงสาวัตถีฮ พราะว่าเท่านั้นน่ะมหากบินที่เป็นพระเจ้าเพ่นดินแปลว่าลักษณะสลบเลยละ่ะจิตใจดิ่งเข้าไปหาสมาธิพูดอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดนะคล้ายๆว่ามันดิ่งเข้าไปในใจจนหูดับไปก็ถามว่าอะไรก็ พ, พ, พูดอะไรกับเมื่อกี้นี้พอค้าก็ว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเดี๋ยวนี้ประทับอยู่ที่ กุงสาวัถีพอว่าทะนะนดับไปอีกครั้งที่สองพอครั้งที่สมยังตั้งสติได้อะไรก็ะบอกว่าพระเจ้าบัตรพระพุทธเจ้าบัตรขึ้นแล้วในโลกประทับอยู่ที่กรุงวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารอยู่ในกุงสาวัถีโอ้เป็นลาบของเราแล้วนะเอ้าบูชาบูชาที่ว่าได้ยินข่าวดีอย่างเนี้ย ให้หนึ่งแสนน่ะให้หนึ่ง0สนกหาปัะเลยเด้เออเอาเงินให้หนึ่งแสนกหาปัะถุงหนึ่งแต่ด น, นพวกพ่อค้าก็บอกว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมเป็นที่ประทับใจพระธรรมคำสั่งสอนก็เกิดขึ้นแล้วเออที่พระพุทธเจ้าประกาศพระธรรมพอได้ยินพระธรรมคำสอนน่นนกหู ด, ดับไปอกีกเหมือนกันถึงสามครั้ง จากนั้นก็ได้มอบกหาปณะอีกแสนกหาปณะอีกพ่อได้ยินพระธรรมคําสอนจากนั้นพ่อค้าก็บอกว่าพระสงฆ์สาวกที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกคือพระสงฆ์สาวกที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกมหากบินได้ยินอีกเอากหาปณะมอบให้อีกหนึ่งแสน สรุปแล้วก็คือพกพกข้าวเหล่านั้นน่ได้เงินสามแสนบริจาคที่บอกข่าวาบอกข่าวเรื่องข่าวให้พระพุทธให้พระเจ้าพระมาหากบินที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินพกพกขาเกวียนจากนั้นพกมหากระบินไปพกเราไปเดินหน้าไปกรุง สวัสดีจากนั้นพระพุทธองค์ทราบข่าวว่าพระมหากบินจะเดินทางไปพระองค์ก็เดินทางออกม า, ามารับคล้ายๆมารับครึ่งทางลักษณะอย่างนั้นแนหะมาถึงทีนี้ก็มหากบินเนี่ยขวบมาได้กัไปทั้งฝูงเลยอ่างั้นแหละพอไปแต่ฝูงก็ได้ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจา้าโอ้เห็นจริงๆฟังแล้วก็ซึ้งในใจอพอเสร็จแล้วก็ ก็ยังไม่ได้สําเร็จมั้งพอพงเป็นคงจะได้สําเร็จเป็นขั้นต้นคือพระโสดาบันจากนั้นนาง อ, อ, อโนชาที่เป็นอคคมเหสีเห็นว่าพัชสมีหายไปแล้วก็ออกนอกพื้นที่นางนี่ก็ขึ้นกับบริวารขึ้นมา้าเองเหมือนกันว่าไงเพราะสมัยก่อนทั้งอคคะมเหสีนี่ก็บในชายย่อยเหมือนกันกับเป็นนักครบเหมือนกัน กันนั่งมา้ากันไปคัป่วไปทางไหนพอไปไปเจอพ่อค้าเกวียนพ่อค้าเกวียนมานี่ยแหละนนี่กับนางก็ได้ฟังอีกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกนางอโนชาก็ให้พ่อค้าเกวียนเหล่านั้นคนละแสนไอ้ถุงข้างละแสนละแสนเหมือนกับมหากบะดิ่งจากนั้นไปทางไหนก็ไปแล้วนึกถึงกับบริวารเป็นพันเหมือนกัน เพราะเป็นแฟนของทหารทั้งหมดที่ติดตามตามไปเลยตามไปพระพุทธเจ้าไม่ให้ไม่ให้เจอกันนะคนสองกลุ่มไม่ให้เจอกันถ้าไปเจอกันถ้าเห็นกันนะ่ฟังเทศพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องแร้วกันเถอะพอวันกิเลสเนีกิเลสพอไปเจอกันแล้วกมองหน้ากันเนะี่ยมีแต่จะพบจ ะ, จะคุยกันพระพุทธองค์บันดาลไม่ให้เห็นกันนะทั้งสองฝ่าย จากนั้นพระ อ, องค์ก็เ ท, เ, เทศให้ฟังจนได้สำเร็จเป็นพื้นฐานเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพระอริยะขั้นต้นซะก่อนจากนั้นพระ อ, องค์จึงบันดาลให้เจอกันพบให้พบกันาจากนั้นก็จิตใจที่มีหลักฐานแล้วกําจัดกิเลส ช, ชั้นขั้นหยาบออกจากจิตใจแล้วนะาจากนั้นพระมหากบินท่านก็ขอบวช พระพุทธองค์ก็บวชให้เอหิภิกขนะุอุปสมบทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำเหล่ากล่าวไว้ดีแล้วท่านก็เป็นภิกษุจากนั้นก็ส่งนางภิกษุณีไปบวชอีกอกับนางโคตมีจากนั้นก็ได้บวชเป็นภิกษุณีจากนั้นก็ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลทั้งฝ่ายอกคกมเหสีทั้งฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินนี่แหละนี่เมื่อท่านได้สําเร็จเป็น พระอรหันต์แล้วนะ่ยท่านไปนสถานที่ใดท่านจะเป่งอุทานว่าสุกหนอสุกหนอสุกหนอสุกหนอไปที่ไหนท่านก็บังเป่งอุทานทอนี้พระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นปุตุชนก็เอพระมหากบินเนี่ยคงจะคิดคึมขึ้นมาแล้วก็คงจะคิดถึงสมัยเป็นคารวาัต อ, อยู่กับขนมนาลีาคลองราช ก็คงคิดขึ้นมาได้เมื่อไรก็คงโอ้สุกเนอสุกหนอสมัยนั้นฮะอย่างนั้นก็มั่งที่บนบ น, บนเพ้อเแบบนี้ตอนนี้พระองค์ก็ถามพอพระสงฆ์ไปฟ้องพระพุทธเจ้าสมัยก่อนพระพระสงฆ์ก็ขี้ฟ้องเหมือนกันนะไปฟ้องพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าเรียกพระมาหากบินมามาหากระบินมานี่ยสิมาหากบินเข้าไปเข้าไปเออกระบินเธ อ, อไปณนะสถานที่ ต่างๆแล้วก็บ่นขึ้นว่าสุกนอสุกนอสุกนอ เ, นเธอบน่นถึงเรื่องอะไรเธอบน่นถึงเรื่องสมัยก่อนเธอได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินคลองลาดมีอัครมเหสีมีสนมนารีมีความสุขทหารแวดล้อมออมีความสุขอย่างนั้นใช่ไหมที่ท่านบ่นว่าสุกนอสุกนอนพระมหากรีนบอกว่าไม่ใช่พระเจ้าข่า คือสมัยก่อนข้าพระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินมีแต่เรื่องวิตกกังวลรักษาประเทศชาติรักษ า, าประชาชนาจะอยู่ยังไงจะกินยังไงรับผิดชอบตลอดเวลาแต่บัดนี้ข้าพระองค์ได้บวชได้ประพฤติพรหมจรรย์ได้สำเร็จมรรคผลบริบูรณ์แล้วปล่อยวางทุกอย่างแล้วหาความสุข ยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพรา ะ, ะนั่นข้าพระองค์จึงบ่นว่าโอ้เราเป็นนักพรตนักบวชนี่สุขจริงจรงเนอสุขหนอสุขหนอสุขเน อ, เอะนะเพราะมันปล่อยวางไม่มีอะไรที่จะมายึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรที่จะมายึดถือในจิตในใจแล้วข้าพระองค์จึงบ่นว่าสุขหนอสุขหนอะไปเจ้าค่าพระพุทองค์บอกว่าดูก่อนสงทั้งหลายอันนี้คือบุตรของเราท่านไม่มีกิเลส ราคะโทสะโมหะแม้แต่น้อยหนึ่งในใจของมหากบินเพราะนั้นท่านไปที่ใดท่านเราลึกถึงที่ใจของท่านบริสุทธิ์นั่นไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเครือบแฝงในใจของท่านท่านจึงบ่นบอกว่าโอ้จิตใจที่บริสุทธิ์นี่สุขจริงๆสุขหนอสุขหน่อ น, นี่ยแหละท่านไม่ได้เพ้อฝันไปถึงกิเลสราคะโทสะโมหะนะอันนี้พระองค์รับรองว่าเป็น บุตรของพระพุทธเจ้านะผู้ที่ได้สาเร็จเป็นพระหรหันตะ์นี่แหละจากนั้นท่านพระมหากบินองค์นี่แหละท่านมโม่เราได้สาเร็จเป็นพระหรหันต์แล้ววันนี้เป็นวันอุโบสถเราไม่ลงอุโบสถก็ได้เพราะเหตุอะไรเพราะว่าอุโบสถก็คือออกไปจากใจถ้าเราไม่ใจไม่คิดไม่ออกไปทางการกระทำทางกายทางวาจาถ้าใจของเราบริสุทธิ์เอย่างกายวาจาของเรา จะทำอะไรก็คงไม่ทําอะไรก็ไม่ผิดวิไนเลยเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าควรจะเข้าสมาบัติสวยวิมุตติสุขจะดีกว่าคงไม่ลงอุโบสถวันนี้นตอนนี้พระพุทธองค์ประทรับอยู่วัดป่าเชตตะวันท่านรู้วาราจิตของพระมหากระบิ น, นไม่ลงอุโบสถพระพุทธองค์ไม่ได้ถึงท่านจะเป็นพระหรันเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็เจียงอยู่แต่ว่า จะต้องทำเป็นตัวอย่างให้พวกน้องๆเขาดูทางว่าพวกพี่ขี้เกียจลงอุโบสถซะพวกน้องก็ยิ่งขี้เกียจกว่าทีนี้เป็นพระหรหันต์ไม่พระหรหันต์ก็ไม่มีใครรู้กันทีนี้ผลในสุกฤษฎิศาสานาตถาคตก็เลยจะหมดไปโดยโดยเร็วเพราะนั้นมหากระบินกรบินทำอย่างนี้ไม่ถูกนะพระพุทธองค์ก็พอรู้แล้วพระองค์ก็ไปหน้า หน้ากุฏิของท่านมหากบินนะพอไปถึงที่นั่นพกะองค์เหยียบรอยพระบาท ต, ตามพระจริงพระพุทธเจ้าจะไม่มีรอยพระบาทง่ายๆนะอันนี้เหยียบรอยพระบาท ต, ตรงนั้นเลยอธิษฐานเป็นรอยเห็นได้ชัดเลยพอพระมหากบินออกจากสมาบัติท่า น, นนะ่ะไปเห็นโอ้โหตายเกิดเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยพระพธิ์พระพุทธองค์มาเหยียบพระบาท ต, ตรงที่หน้ากุฏิของเราเลยเนะี่ย พระมหากระปินก็นรีบอ้าวเขาไปกราบพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าข้าพระ อ, องค์เห็นรอยพระบาทที่หน้าหน้าขุติด้วยเหตุอะไร ห, หนอพระองค์บอกว่ากระปินเธอคิดอย่างนั้นไม่ถูกนะแต่ต้องลงอุโบสถเพราะลุ่นพี่เนี่ยต้องรักษาวินยัยต้องรักษากฎระเบียบถ้าว่าพวกท่านผู้ได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลแล้วไม่ครบในหลักพระธรรมวินยัย ศาสนาของตถาคตจะอยู่นานไปสักเท่าไหรน่นี่อันนี้ก็คือเนี่ยแหละฟังๆด้ยสิพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหลวงพ่อว่านะคล้ายๆกับว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอมีเหตุมีผลในเรื่องที่ที่ในเรื่องนั้นๆที่เรื่องที่เกิดขึ้น น, ะนี่แหละอันนี้สรุปแล้วบัดเนี้ยมาย้อนมาถึงที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระมหากระดิ่ ท่านได้ทําคุณงามความดีไว้ในอดีตได้สั่งสมบุญกุศลไว้ในอดีตเพราะนั้นท่านคงได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในครั้งก่อนติดจิตติดใจเป็นอุปนิสัยพอมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินในชาตินี้พอได้ยินว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า อุบัติขึ้นแล้วเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะต่อประชาชนเกิดขึ้นแล้วในโลกเนะี่ยพอได้ยินเท่านั้นน่ะมหากบินหูดับเลยจิตใจเด่งเข้าไปสู่ความสงบเป็นอัปปนาสมาธิหลวงพ่อพูดอย่างไงไม่น่าจะผิดแต่ท่านก็ว่าเพียงแต่สลบนะแต่หลวงพ่อแบบคงจะจิตใจของท่านคงจะเด่งเข้าไปหาอัปปนาสมาธิจิตใจของท่านสงบไม่รับรู้ทางกายเลยฮนะ โอ้พระพุทธเจ้ากูบัดขึ้นแล้วในโลกนะท่านได้ยินเป็นอุปนิสัยติดพบติดชาติมาในอดีตเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญกุศลของพวกเราก็เหมือนกันพบนี้ชาตินี้พวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้มาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้นำสั่งสอนศีลธรรมจริยธรรมให้กับพวกเราพวกเราก็ควรจะยึดเป็นแนวแถวปฏิบัติ ประกอบคุณงามความดีต่อไปสิ่งที่มันชั่วชา้าเสียหายเลวทรามอย่าไปทำถ้าทาก็ติดพบติดชาติอีกเหมือนกันนะถ้าเคยเป็นขโมยชาติทีแล้วมาม า, มาชาติได้ขนนั้นนะตีนสั้นมือยาวขี้ขโมยเหมือนกันปบไปในครั้งพระพุทธเจ้าไปเผลอไปขโมยของพระของพระอรหันต์อีกไปขโมยของในวัดของพระพุทธเจ้าอีกเพราะเราสั่งสมไปทางขโมยใช่ไหมไปทางไม่ดีอีกเหมือนกันนะ เพราะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำถ้าทำแล้วเป็นอุปนิสัยติดพบติดชาติต่อไปภายภาคหน้าให้สังสมแต่คุณงามความดีให้สังสมแต่บุญกุศลอย่างพระมหากบินเห็นไหมเป็นตัวอย่างท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านเสียสละออกไปบวชทั้งอักครัเหสีด้วยบริวารด้วยเสียสละเลยท่านมาในเยื่อใยประเทศชาติของท่านถึงท่านจะไปแล้วคนอื่นเขาก็อยากได้อยู่แล้วเขาไปคลองอยู่แล้ว เออมันไม่ใช่ของเราเราเกิดมาเราก็รักษาต่อไปเมื่อเราไปแล้วคนอื่นรักษาต่อนะเออเพราะนั้นเราเอาแต่คุณงามความดีเอาแต่มักผลนิพพานก็น่าจะเพียงพอนะ่ยท่านคิดถูกแล้วหลวงพ่อว่านะนนต่อไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพร